พักที่หนึ่งเรื่องที่4การระ ง, งับเวรด้วยการไม่จองเวรพระพุทธภาสิทธนะหิเวเรนะเวรานิสัมมันตีทักูดาจนังอเวเรนะจะสัมันติเอสะธ ร, รมโมสนันตโนในการไหนๆเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร นี่เป็นธรรมเก่าอธิบายความการผูกเวรก็เหมือนกับการผูกพยาบาทเมื่อต่างฝ่ายต่างผูกใจเจ็บกันอยู่เวรก็ไม่สามารถระงับลงได้แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลิกผูกเวรเสดวยการให้อภัยและแผ่เมตตาให้เสมอๆ เ, เวรย่อมระงับลงได้ในเวลาไม่นานนัก การไม่ผูกเวรทำให้จิตใจเราสบายเมื่อใดใจผูกเวรเมื่อนั้นมองไปไหนก็เห็นแต่ศัตรูแต่เมื่อใดใจของเราไม่มีเวรกับใครมีแต่เมตตาปราณีเมื่อนั้นมองไปทางใดก็เจอแต่มิตรเพราะฉะนั้นพระเจ้าโกศลเมื่อโอวาทพระราชโอรสทรงพระนามว่าทีคาวุกุมานจึงตรัสว่าทีคาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่การยาวอย่าเห็นแก่การสั้นเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร น, นี่เป็นธรรมเก่ามาดีคังปั ส, สมารัต ส, สังกาลังดีคาวุมาณวะนะฮิเวเรนะเวรานิสามันติทากกูดาจนนังอเวเรนะจะสามันติ เอสะธรรมโมสนันโนทีคาวุกุมานชาดกเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดเพื่อความสบายใจของตนเองจึงไม่ควรผูกเวรไว้กับใครๆจงจำแต่ความดีที่ผู้อื่นทำแก่ตนแต่อย่าจำความร้ายที่เขาทำให้เพราะมันไม่มีประโยชน์แก่จิตใจคำว่าอย่าเห็นแก่การยาวนั้นหมายความว่า อย่าผูกเวนเอาไว้เพราะเวนยิ่งผูกก็ยิ่งยาวคำว่าอย่าเห็นแก่การสั้นนั้นหมายความว่าอย่ารีบด่วนแตกจากมิตรมีอะไรก็ค่อยๆผ่อนปลนกันไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเข้าใจผิด ก, ก็ได้อย่าด่วนลงโทษใครง่ายเกินไปและอย่ารีบแตกจากใครขอให้พิจารณาเสียร้อยครั้งผ่านครั้ง เรื่องประกอบยักษินีชื่อกาลีที่เมืองสาวัตถีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมื่อบิดาสิ้นชีพแล้วก็ทำงานด้วยตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้านเลี้ยงมารดาอยู่มารดาสงสารเขาจึงบอกว่าจะนาหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาเพื่อจะได้แบ่งเบาภาระในบ้านไปซะบ้างแต่ลูกชายก็ห้ามเสียหลายครั้งหลายหน เขาบอกแม่ว่ายังไม่ต้องการแต่ฝ่ายแม่ต้องการจึงออกจากบ้านจะไปสู่ตระกูลหนึ่งลูกชายจึงว่าหากแม่จะไปนำหญิงมาให้ได้จริงๆแล้วก็จงไปสู่สกุลที่ลูกชอบเขาได้บอกชื่อสกุลให้มารดาบานดาของเขาไปสู่ขอหญิงสกุลนั้นมาให้บุตรชายแล้วแต่หญิงนั้นเป็นหมันหญิงผู้มารดาจึงพูดกับบุตรว่า อันตรกูลที่ไม่มีบุตรย่อมขาดศูนเพราะฉะนั้นแม่จะไปนําหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นพันรยาของเจ้าบุตรชายกล่าวว่าอันการจะไปนําหญิงอื่นมาอีกคนหนึ่งนั้นไม่จำเป็นแต่มารดาก็ยังพูดอยู่บ่อยๆหญิงสะพ้ยได้ยินบ่อยๆจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมฝืดมารดาไปได้ไม่นาน อีกสักหน่อยก็คงยอมให้นำสตรีอื่นมาหากเธอมีลูกตัวเราก็จะลดฐานะลงมาเป็นหญิงรับใช้อยากระนั้นเลยเราควรจะจัดการหาหญิงนั้นซะเองเพื่อจกได้อยู่ใต้อำนาจของเรานางคิดดังนี้แล้วจึงไปนำหญิงอันคุ้นเคยกับเธอจากตระกูลหนึ่งมาที่แรกๆกก็ดีแต่พอนานเข้าจิตริษยาบ้าง ความกลัวว่าตนจะตกต่ำหากภรรยาน้อยมีลูกบ้างนางจึงคิดทำลายคันของภรรยาน้อยนางได้สั่งไว้ว่าเมื่อใดมีคันขอให้บอกนางแต่เนิ่นๆภรรยาน้อยผ่าซื่อคิดว่าเข้าหวังดีกับตัวพอตั้งคันก็บอกนางเบี้ยหลวงจึงประกอบยาใส่ลงไปในอาหาร โดยทํานองนี้คันของพันรยาน้อยจึงตกไปคือแท้งถึงสองครั้งพอครั้งที่สามพันรยาน้อยไปปรึกษากับเพื่อนพวกเพื่อนๆพน พ, นพูดเป็นทํานองให้เฉลียวใจถึงพันรยาหลวงนางจึงระวังตัวคราวนี้ไม่ยอมบอกพยายามถนอมจนคันแก่นางเมียหลวงไม่ได้ช่องที่จะผสมยาลงไปในอาหารได้เพราะเขาระวังตัวอยู่ จนกระทั่งคันแก่นางจึงได้โอกาสแต่คันไม่ตกเพราะแก่เสียแล้วแต่กลับนอนขวางภรรยาน้อยได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจนสิ้นชีวิตก่อนสิ้นชีพได้อธิษฐานขอจองเวรกับหญิงนั้นนางตายแล้วไปเกิดเป็นแมวตัวเมียในเรือนนั่นเอง ฝ่ายสามีของนางรู้ว่าพันรยาหลวงประกอบยาทำลายคันของพันรยาน้อยถึงสมครั้งโกรธจัดประหารพันรยาหลวงเสียถึงตายนางไปเกิดเป็นแม่ไก่พอแม่ไก่ตกไข่แมวก็ไปกินเสียถึงสามครั้งแม่ไก่ผูกพยาบาทขอให้ได้เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งที่พอทำร้ายนางแมวได้แม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลือง ส่วนนางแมวไปเกิดเป็นแม่เนื้อพอแม่เนื้อคลอดลูกแม่เสือเหลืองก็มากินเสื้อทุกครั้งแม่เนื้อผูกพยาบาทตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นนางยักษ์ซีนีแม่เสือไปเกิดเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาเมื่อหญิงนั้นคลอดลูกนางยักษ์ซีนีก็ปลอมแปลงตัวเป็นหญิงสหายของเธอมากินลูกเสื้อทุกครั้ง พอครั้งที่3หญิงนั้นหนีไปคลอดลูกที่อื่นและนางยักษินีก็ติดข้าเวนส่งน้ําให้ท้าเวสุวรรณเสียหลายเดือนพอออกเวนก็รีบมายัางบ้านของหญิงนั้นทราบว่าเธอไปคลอดลูกที่บ้านเดิมคือบ้านพ่อแม่ของนางยักษินีอันกําลังแห่งเวนให้อุตสาหะแล้วรีบวิ่งไปยังบ้านนั้น เวลานั้นหญิงคู่เวรคลอดลูกแล้วกำลังกลับมาพร้อมได้สามีมาถึงสระแห่งหนึ่งหน้าวัดเชตวันสามีลงอาบน้ำในสระนางยืนอุ้มลูกให้ดื่มนมคอยอยู่เลี้ยวมาเห็นนางยักษ์กำลังวิ่งมาอย่างเร็วจึงร้องตะโกนเรียกสามีให้ขึ้นมาช่วยเมื่อเห็นว่าสามีจะขึ้นมาไม่ทันนางยักษ์วิ่งมากระชั้นชิดแล้ว นางจึงอุ้มลูกวิ่งหนีเข้าวัดเชตวันเวลานั้นพระศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทในธรรมสภาเธอนำลูกไปวางไว้ใกล้บาทแห่งพระผู้มีพระภาคและล่ำละลักทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของเด็กคนนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่านางยักษ์วิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพอถึงประตูวัดเชตวัน สุมณาเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้เข้าพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดรับสั่งให้พระอานนท์ไปนำนางยักษ์เข้ามาเมื่อหญิงนั้นเห็นนางยักษ์เข้ามาก็ตกใจกลัวร้องขอให้พระศาสดาช่วยพระศาสดาตรัสปลอบว่าอย่ากลัวเลยณทีน่นี้นางยักษ์จะทำอันตรายไม่ได้ ดังนี้ตรัสกับนางยักษ์ว่าดูก่อนยักษิศีและกุลทิดาเพราะเหตุไรเจ้าทั้งสองจึงจองเวรกันเช่นนี้ถ้ามิได้พบพระพุทธเจ้าเช่นเราเวรของเจ้าทั้งสองก็จะดำรงอยู่ชัว่วกะเหมือนเวรของงูกับพังพรมีกับไม้ตะครอและของกากับนกเขา เวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวร น, นี่เป็นธรรมเก่าพระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศนาให้พิสดารโดยอเนกปริยายในการจบเทศนานางยักษ์ได้บรรลุโสดาปฏิพันธเป็นโสดาบันเป็นผู้มีศีลห้าสมบูรณ์พระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นส่งลูกให้ยักษ์ซีนี คุณที่ดากราบทูลว่าเธอกลัวพระศาสดาตรัสว่าอย่ากลัวเลยอันตรายจากยักษีนีไม่มีแล้วนางจึงส่งลูกให้นางยักษ์รับเด็กมากอดจูบแล้วส่งคืนให้มานดาแล้วร้องไห้พระศาสดาตรัสถามว่าร้องไห้ทำไมนางทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อก่อนนี้ข้าพระพุทธเจ้าหากินโดยไม่เลือกทาง ก็ยังไม่สามารถหาอาหารมาให้พอเต็มท้องได้บัดนี้ต่อจากนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นนำนางยักษ์ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านให้ข้าวและน้ำกระทำอุปการะอย่างดี ยักษินีรู้อุปการะของหญิงนั้นแล้วช่วยบอกว่าปีนี้ฝนจะตกมากให้ทำนาบนที่ดอนปีนี้ฝนจะตกน้อยให้ทำนาในที่ลุ่มกุนทิดาได้ทำตามคำแนะนำของยักษินีได้ข้าวดีทุกปีคนชาวบ้านทั้งหลายรู้ข่าวเข้าก็ชวนกันมาถามบ้างยักษินีก็บอกให้ คนทั้งหลายได้นําข้าวน้ำและผละไม้มาให้ยักษินีเป็นการตอบแทนทั้งสองฝ่ายต่างมีอุปการะซึ่งกันและการด้วยประการชนิดเวณย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวณแต่ย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวณดังพันานามาชนิดหมายเหตุลำดับชาติที่ทั้งสองจองเวณกัน เมียน้อยมาเป็นนางแมวและนางเนื้อและนางยักษ์เมียหลวงมาเป็นนางไก่นางเสือเหลืองและกุนทิดา